เมื่อก่อนหาคนเรียนธรรมะยากนะไม่ค่อยมีคนศึกษาธรรมะจริงๆอะ่ะคนเข้าวัดก็เข้าไปทำบุญนั่งเข้าไปฟังเทศฟังไปหลับบ้างตื่นบ้างได้บุญนะในยุคนี้สนใจเนื้อหาสาระมากขึ้นนะเอาจริงเอาจังดีเราจะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะเราต้องศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน ศึกษาอย่างเดียวไม่พอนะต้องลงมือปฏิบัติจริงๆด้วยจนเห็นผลพอเห็นผลแล้วเราก็มีหน้าที่บอกต่อเนี่ยหน้าที่ของชาวพุทธนะคือตัวเองต้องศึกษาต้องฟังก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเรียกว่าเรียนปริยัตนั่นเองแล้วก็ลงมือปฏิบัติพอได้ผลแล้วก็ต้องบอกต่อถาศาสนาถึงจะดำรงอยู่ได้ เงี้ยแต่ละคนมีภารกิจอย่านึกว่าแค่ว่าเราจะมาฟังธรรมะเล่นๆแต่ละคนมีความสําคัญทั้งนั้นถ้าศาสนาไม่มีคนสืบต่อนะน่าเสียดายวิชาความรู้ทางโล ก, โลกมันจะสูญไปบ้างก็ช่างมันเถอะวิชาทางโลกนะโดยตัวมันเองมันก็สูญอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมอย่างนักวิทยาศาสตร์มันค้นพบอะไรขึ้นมาช่วงหนึ่งมันก็มีคนใหม่มาค้นพบบอกว่าไอ้คนเก่าไม่จริงหรอก แต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนในะจนปัจนนี้ยังไม่มีใครมาค้านไม่มีใครค้านธรรมะที่ไม่มีใครต้านทานได้เรียกว่าธรรมจักหรือตัวอริยสัจนั่นเองถ้าเข้าใจอริยสัจจะรู้เลยไม่มีอะไรต้านทานถ้ารู้ทุกนะก็เป็นอนรัสมูไถยแจ้งนิโรธเกิดอริยามรรคขึ้นมาไม่มีใครทานได้ไม่มีใครค้านได้ ก็รู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วพ้นทุกข์ได้จริงๆรถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วมันละสมุทัยจริงจริงรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วอริยมรรคเกิดจริงๆชีวิตจิตใจของเราจะเปลี่ยนโดยตัวเองรู้สึกได้คนรอบข้างรู้สึกได้จะเปลี่ยนแปลงอย่างรู้สึกได้ไม่ให้น้อมใจเชื่อไม่จำเป็นต้องน้อมใจเชื่อกาศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้น้อมใจเชื่อ แต่เป็นศาสนาที่ท้าให้พิสูจน์เอหิปัสสิโกว่าพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอะไม่ให้มาเชื่อนะให้มาลองลองอะไรลองเจริญสติรู้กายรู้ใจไปวันหนึ่งก็จะแจ้งธรรมมาขึ้นมาเองเราไม่ยึดถือในกายในใจความทุกข์มันจะตกหายไปอย่างน่าอาศัศจรรย์ที่สุดไม่เคยมีนักบัตรคนไหนสอนให้เรารู้ทุกข์จนกระทั้งลาสมูทไทย แจ้งนิโรธขึ้นมาได้นักปราชทั้งหลายาศาสดาทั้งหลายเนี่ยบางทีก็มุ่งไปหานิโรธนะอย่างนี้ครนทั้งหลายาศาสนาเชนชินะนิโครนก็สอนให้เป็นนิพพานเหมือนกันสอนด้วยว่านิพพานเป็นความสิ้นตัณหารู้ละเอียดนะแต่ไม่รู้ว่าต้องรู้ทุกคิดว่าต้องรับทุกถึงจะสิ้นตัณหา มีความทุกข์ก็ต้องทรมานนะทุกตามธรรมชาติมันช้าไปาต้องทรมานตัวเองให้หนักหนักกว่าเก่ารับทุกข์ให้มากๆจะได้สิ้นตัณหาคือนักปราดเขาก็เก่งเหมือนกันพวกนี้ครนเขาก็อยากได้นิพพานเขาก็อยากสิ้นตัณหาแต่เขาไม่รู้วิธีการเขาไปหานสู้กับทุกข์ในขณะที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์ นันให้เรารู้ทุกนะให้เรารู้กายให้เรารู้ใจสิ่งที่เรียกว่าทุกไม่ได้แปลว่าความทุกคำว่าทุกในทางศาสน า, าพุทธนี่หมายถึงขันห้าหมายถึงกายกับใจนี้รูปกับนามนะคือตัวทุกขนั้นะตัวความสุขก็เป็นทุกอย่างหนึ่งนะทําไมความสุขเป็นตัวทุกอย่างหนึ่งความสุขเป็นของทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นนะทนอยู่ไม่ได้จริงหรอกเป็นของยังแปรปรวนอยู่เกิดเกิดดับดับอยู่ เป็นของซึ่งใครก็ไปปฏิเสธไม่ได้ไม่มีใครมีอำนาจเหนือมันทั้งความสุขทั้งความทุกข์ทั้งกุศลทั้งอกุศลนะเราควบคุมมันไม่ได้ความสุขสั่งให้เกิดก็ไม่ได้ความทุกข์ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ความสุขเกิดแล้วสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้ความทุกข์มาแล้วไล่มันก็ไม่ไปนการที่เรารู้กายรู้ใจนะเห็นเราไม่มีอำนาจเหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรียกว่าเรารู้ทุกข์แล้วรู้ความจริงของกายของใจรู้ลงไปเรื่อยๆพอ ร, รู้ความตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายมันน่าเบื่อไหมความสุขชั่วคราวน่าเบื่อนะความทุกข์ชั่วคราวก็น่าเบื่ออะไรๆก็น่าเบื่อหมดความทุกข์ยิ่งถาวรยิ่งน่าเบื่อใช่ไหม <c oughs> แล้วจริงๆเราทุกข์ถาวร น, นะเราไม่ได้ทุกข์ชั่วคราวหรอกทุกข์มากกับทุกข์น้อยความสุขลนะ เราอยากได้เลยมันเนไม่ไม่อยู่นานความสุขจะสั้นเกินไปเสมอความทุกข์ก็ยาวเกินไปเสมอให้รู้ทุกข์นะรู้กายรู้ใจไปพอรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือพอคลายความยึดถือก็หลุดพ้นแต่เดิมเราไม่รู้เราไปจับไปส่วนนี้เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเรารู้สึกว่าดีวิเศษนี่คือตัวเรา เรยึดไว้เหนียวแน่นนะไงก็ไม่ปล่อยปล่อยไม่ได้เสียดายกลัวว่าตัวเราหายไปวันหนึ่งปัญญามันแจ้งว่นี่ตัวทุกข์นะรือแทนที่จะเป็นสมุดทองคําสักก้อนหนึ่งกลายเป็นกิ้งกือพอ เ, เห็นว่ากิ้งกือเนี่ยนะมันมันคลายออกเองนะมันคลายแล้วมันจะหลุดนะเห็นไหมคลายแล้วมันจะหลุดนะถ้าถือไว้ไม่หลุดนะถ้าคลายแล้วหลุดนะคลายแล้วมันก็หลุดไม่ต้องทําอะไรมันหลุดไปเอง ให้รู้กายให้รู้ใจไปแล้ววันหนึ่งมันหลุดไปเองรู้ตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายเพรเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเพรคลายกำหนัดก็หลุดพ้นเพรหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ความเป็นจริงของมันหลุดไปแล้วหลุดแล้วปีอะไรเกิดขึ้นหลุดแล้วก็พ้นทุกข์สิเราจะพบภาวะซึ่งไม่ต้องแบกต้องหามอะไรขันห้าเป็นภาระขันห้าเป็นทุกข์ขันห้าเป็นของหนัก พระอริยะเจ้าคือพระรหันต์วางของหนักลงไปแล้วแล้วก็ไม่ไปหยิบช่วยขึ้นมาอีกพระอริยะเจ้าชั้นอื่นๆนะวางของหนักชั่วคราวแล้วก็จะไปหยิบมาอีกยังดูไปเรื่อยเห็นจิตมันเป็นตัวทุกข์นะวางปุ๊บไปวางปุ๊บไปเดี๋ยวก็ไปคว้ามาอีกละยังรู้ยังรู้ไม่แจ่มแจ้งเรียกว่าเห็นจิตไม่แจ่มแจ้งถ้าเห็นจิตแจ่มแจ้งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งว่ามันเป็นตัวทุกข์ล้วน จิตเห็นจิตอย่างแคมแจ้งมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปเลยไม่ยึดถืออะไรอีกยึดถือจิตอันเดียวก็จะไปยึดถือทุกอย่างมันยังงอกออกไปจากจิตเองปล่อยวางจิตก็จะปล่อยวางทุกอย่างจิต น, นี้เป็นต้นต่อของตัวสิ่งอื่นๆเลยให้รู้ลงมานะค่อยๆฝึกค่อยๆรู้ไปยิ่งศึกษายิ่งสนุกยิ่งศึกษายิ่งมีความสุข สนุกกับความสุขไม่เหมือนกันนะสนุกที่ได้เรียนรู้พอได้เรียนรู้แล้วก็มีความสุขที่มีความสุขเพราะว่าเราห่างความทุกข์ออกไปเรื่อยๆสังเกตไหมคนที่เรียนกับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งสังเกตไหมว่าขันห้ามันห่างห่างออกไปรู้สึกไหมขันห้ามันเริ่มห่างออกไปเรื่อยๆบางทียางไรเข้าไปรวมกันอีก บางทีพอมีสติมีปัญญามีใจตั้งมั่นขึ้นมาขั้นหก็ห่างห่างออกไปเราจะรู้สึกว่าระหว่างกายกับจิตมีช่องว่างมาขั้นไม่ได้เป็นอันเดียวกันห่างออกไปมีช่องว่างมาขั้นระหว่างจิตกับเวทนาก็มีช่องว่างมาขั้นระหว่างจิตกับสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วโลภโกรธหลงทั้งหลายกับจิตเนี่ยมีช่องว่างมาขั้นจิตเองเกิดดับ ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรื่อยเรื่อเห็นมันเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับไม่มีตัวตนอะไรที่ถาวรนีนะ่ฝึกไปนะักขันมันจะค่อย ค, อย ค, อยคอยห่างห่าออกไปกรนะทั่งจิตเองนะถึงจุดหนึ่งจิตก็ห่างออกไปเป็นเรื่องแปลกนะเราเห็นว่าจิตเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใช่ไหมส่วนขันอื่นๆนะีนอยู่แวดล้อมเราจะเห็นอย่างนี้ พาสติปัญญาแกร่รอบจริงๆจิตก็อยู่ห่างๆนะเป็นเรื่องแปลกมากเลยจิตอยู่ห่างๆแล้วเราไม่ต้องแบกมันสบายมากมีความสุขที่อศัศจรรย์ที่สุดเลยมืนจิตอยู่ห่างๆห่างมากไปก็ไม่ดีนะรู้สึกกังวลใจนี่ไ <c oughs> ในศาสนาอื่นไม่มีนะคำสอนที่อศัศจรรย์ขนาดนี้ มีแต่ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราแต่ตัวเรานี้จะเป็นตัวเราถาวรหรือเป็นตัวเราชั่วคราวขึ้นมาแล้วก็ดับศูญย์หายไปคนอื่นไปได้แค่นี้เองอย่างพวกนักฟิสิกส์ก็เห็นว่ามันมีชีวิตเราอยู่จริงๆมีเราอยู่จริงๆแต่มันอยู่ชั่วคราวถึงวันหนึ่งก็ศูนย์สลายหายไปเลยศูนย์สลายไปพวกหนึ่งพวกเชื่อถือด้านจิตวิญญาณ เห็นว่าพอร่างกายตายนะจิตก็ไปเกิดใหม่ไม่ศูเนี่ยมันตกอยู่ในความสุดต่งสองข้างระหว่างศูน์กับไม่ศูนย์ศาสนาพุทธไม่ได้ตกอยู่ในความสุดต่งสองข้างนี้แต่ว่ามันเป็นยังไงต้องไปเรียนเอาเองนะไม่รู้จะบรรยายยังไงมันเป็นภาวะที่มีแต่ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีความมีแต่มีความไม่มีอะไร เป็นเรื่องอัศจรรย์แต่ว่าไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะคศึกษาแล้วจะพบว่าโอ้อัศจรรย์จริงจริงการศึกษาความรู้ความเข้าใจทั้งหมดที่หลวงพ่อพูดมาให้ฟังเนียสามารถรู้ได้ด้วยการรู้เข้าไปถึงจิตถึงใจตัวเองนี่แหละหลวงพู ด, ดูลเคยสอนหลวงพ่อสอนตั้งแต่ว่าจักรวาลเกิดมาได้ยังไงจิตวิญญาณเกิดขึ้นมาได้ยังไงพระพุทธเจ้ายัางไม่เทศเลย หลวงปู ด, ดุลก์จะอามาเทศให้ฟังกระบวนการทํางานกระบวนการสร้างภพสร้างชาติกระบวนการสืบต่อภพสืบต่อชาติโอ้ยท่านเล่าให้ฟังมากมายจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นพระอรหนันต์ถึงจุดที่เข้านิพพานสลายรูปธรรมนามธรรมไปหมดอะไรเงี้ยเหลือแต่ธรรมธาตุล้วนๆอะไรงท่านสอนทั้งมากมายหลวงพ่อฟังอยู่ร่วมชั่วโมงนะ ด้วยความท้อแท้ใจหลวงปู่พูดอะไรไม่รู้เรื่องในที่สุดก็ตัดสินใจพอท่านพูดจบนะหลวงปู่ครับที่หลวงปู่สอนมาทั้งหมดเนี่ยผมขอดูจิตอย่างเดียวได้ไหมห <c oughs> ลวงปู่บอกว่าได้ธรรมะ8ปดหมพันพระธรรมขันธ์นี่ออกมาจากจิตของพระพุทธเจ้านั่นเองจิตที่บริสุทธิ์เะงั้นความรู้ความเข้าใจทั้งหลายนี่ก็ออกมาจากจิตนั่นเองให้เรารู้ลงไปที่จิตนั่นแหละ ธรรมะฝ่ายกุศลก็เกิดที่จิตธรรมะฝ่ายอกุศลก็เกิดที่จิตเห็นไหมอะไรๆมันก็เกิดมาจากตรงนี้ให้เรารู้ลงไปแต่ว่าศาสนาพุทธไม่ใช่จิตนิยมนะแล้วก็ไม่ใช่วัตถุนิยมไม่นิยมอะไรสักอย่างแต่เราพบว่าจิตกับวัตถุนี้ยิงอาศัยกันไหมแปลกศาสนาพุทธไม่ให้สุดโต่งไปข้างจิตนิยมหรือวัตถุนิยม ท่านพบว่าจิตและวัตถุเนี่ยอิงอาศัยกันอิงอาศัยกันเรารู้ทันเราไปรวบรวมเอาทั้งจิตและวัตถุเนี่ยกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวเราขึ้นมาเรียนรู้ลงไปจนคืนไปหมดเลยงั้นไม่ได้อยู่กับจิตนะก็ไม่ได้อยู่กับวัตถุไม่ได้อยู่กับอะไรไม่ได้อยู่กับอะไรเลยอยู่กับความไม่มีอะไรนั่นแหละค่อยเรียนเอานะค่อยเรียนไป วิธีจะศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านะมีสติรู้กายรู้ใจไปเมื่อยี่สิบปีก่อนหลวงพ่อเคยเล่าพวกเราเรื่อยๆว่าหลวงพ่อชับทะเวณศึกษากับครูบาอาจารย์หลายสิบองค์มีองค์หนึ่งชื่ออาจา ร, รย์เขียนอาารย์เขียนเจ้าคุณอริยาเวทีอยู่วัดรังสีปาริวันที่กาลสิน่เดิมท่าน เจอหลวุมั่นปูมั่นเรียกให้ภาวนาไม่เอานะจะขอไปเรียนปริยัติก่อนอยากมีความรู้เยอะๆท่านเรียนจนได้9้าประโยคน์พอได้เก้าประโยคท่านก็ทิ้งเลยออกบวชเอ้ยไม่ใช่บวชออกกรรมฐานเลยนะท่านบวชอยู่แล้วนะบวชที่เป็นเจ้าวาดวาดสุทธาจินดาในโคราชเสร็จแล้วท่านทิ้งตาแหน่งทิ้งเลยหมดเลยออกภาวนาตอนหลังไปอยู่กาละสิน ขงพ่อไปหาท่านเดินั้งนั่ะเดินครึ่งค่อนวันนะไปถึงไปกราบท่านท่านก็เล่าให้ฟังบอกตอนเนี้ยท่านท่องพระไตรปิฎกได้ยี่สิบสามสิบเล่มแล้วเดี๋ยวท่านจะท่องให้จบเลยแต่ท่านเกิดสงสัยขึ้นมาข้อหนึ่งว่าพระอนุนจำได้จริงเหรอเนี่ยแค่สงสัยนิดเดียวนะว่าพระอนุนจำได้จริงหรอท่านท่องท่องท่องท่านบอกผมจได้เนี่ย จำได้จริงๆนี่ท่านบอกหลวงพ่อไอตรงที่ท่านเล่าให้ฟังเราก็รู้สึกทึ่งหรอกแต่ที่รู้สึกทึ่งมากกว่าการท่องพระไตรปิฎกได้ก็คือท่านบอกท่านคนพบอะไรอย่างหนึ่งธรรมมาทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ว่าบทใดบทหนึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยเป็นเรื่องการปฏิบัติทั้งสิ้นไม่ได้สอนลอยๆไม่ได้สอนเล่นๆแต่สอนเพื่อให้ปฏิบัติจริงๆ นี่น่าทึ่งมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ธรรมะเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งบทใดบทหนึ่งแจ่มแจ้งนะเราจะแจ่มแจ้งธรรมะได้ทั้งหมดอัศาจรรย์อัศาจรรย์มากเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเนี่ยมีประโยชน์ทั้งสิ้นอย่าละเลยนะธรรมะทั้งหมดถ้าย่อลงมาก็บอกว่าให้ละชั่วใช่ไหมให้ทำดีให้ทำจิตผ่องแผ้วเนี่ยสอนอย่างนี้ หรือย่อๆมามีศีลสมาธิปัญญาย่อเงี้ยย่อๆลงมาเวลาภาวนาอย่าคิดนะว่าจเจริญสติรูปเดียวจเจริญสติอย่างเดียวแล้วจะบรรลุหลายคนละเลยไม่ถือศีลไม่ถือศีลไม่มีทางหรอกห ล, หลายคนไม่ศึกษาเรื่องจิตให้แจ่มแจ้งจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจะกาหนดรูปกาหนดนามอย่างเดียวไม่ได้กินหรอก งั้นเวลาปฏิบัตินะต้องอให้ครบนะอะไรชั่วชวไม่เอามีศีลกั้นตัวเองไว้ก่อนอะไรดีๆต้องทําการที่เราละความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นก็คือการลดละความยึดถือเหนียวแน่นในอัตตาตัวตน น, นั่นเองคนเราทําความชั่วได้เพราะยึดอัตตาตัวตนนั่นแหละใช่ไหมไปปล้นเขาไปฆ่าเขาไปกรีดกันเขาไปอิดช้าเขาอะไรเนี้ยก็เพื่อเสิร์ฟอัตตาตัวตนทั้งสิ้น การที่ท่านสอนบอกไม่ทำชั่วถือศีลไว้นะอะไรต่ออะไรไว้เนี่ยไม่ทำความชั่วก็เพื่อลดกำลังความรุนแรงของอัตราตัวตนลงการที่ท่านสอนให้ทำความดีคุณทงางนมความดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เพื่อลดถอนอัตราตัวตนนั่นเองลดถอนกำลังของมันอย่างเราต้องมีสัจจะมีสัจจะคนเราทำไมต้องไม่มีสัจจะ เพื่อปกป้องตัวเองรู้สึกไหมบางคนต้องโกหกเพื่อปกป้องตัวเองเพื่อปกป้องตัวเองรักษาตัวเองไว้แล้วเมื่อไหร่จะพ้นจากตัวเองได้ทำไมต้องมีขันติขันติอดทนอดกลั้นนะในการภาคเพียรไปภาคเพียร น, นี่ต้องสู้กับความขี้เกียจขี้คลานนะขี้เกียจขี้คลานก็เพราะรักตัวเองอีกทำไมต้องมีฐานฐานคือการเสียสละทาไมต้องมีเมตตา เมตตาไม่ได้เห็นเกตตัวไม่ได้รักแต่ตัวเองมีเมตตากับผู้อื่นก็เพื่อลดอัตตาตัวตนอีกรู้จักรักคนอื่นซะบ้างไม่ใช่รักแต่ตัวเองรู้จักให้คนอื่นซะบ้างไม่คิดแต่จะครอบครองทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะเพื่อลดอัตตาตัวตนลดความรุนแรงของอัตตาตัวตนทั้งสิ้นมีสติมีปัญญาละ่ะมีปัญญาบารมีปัญญาก็เป็นการ เห็นความจริงของกายของใจอีกว่าไม่ใช่อัตตาตัวตนเพราะฉะนั้นการจะละชั่วการจะทําดีเนี่ยก็เพื่อลดความรุนแรงของอัตตาตัวตนลงจิตมันจะค่อยๆผ่องแผ้วขึ้นเพราะงัผ่องแผ้วเนี่ยเพราะว่าจเจริญวิปัสสนาเจนบรรลุมรรคผล น, นิพพานนี้อย่าเอาแต่จิตผ่องแผ้วนะต้องละชั่วต้องทําดีด้วย การลาชั่วการทำดีเนะี่ยมันช่วยส่งเสริมให้จิตพ่องแผ้วอยู่ๆจิตไม่พ่องแผ้วหรอกหลวงพ่อเคยทุ่มเทแก่คนหนึ่งไม่ถือศีลทุ่มแรงลงไปนะหกเดือนเจเดือนไม่ถือศีลเด็กได้มาผลนิพพานจากภาวนาอย่างเดียวไม่ได้กินหรอกถึงจุดหนึ่งก็ต้องไม่ไหวต่างคนต่างไปนะช่วยตัวเองไปเถอะ งั้นคุณงามความดีทั้งหลายนะต้องทำนะํำอาคุศลทั้งหลายความชั่วทั้งหลายต้องลดละมันจะทําให้การภาวนาของเราน่ง่ายถ้าหากกิเลสมันรุนแรงในจิตใจเนี่ยการภาวนาจะลําบากที่สุดเลยนะการภาวนาเนี่ยจะมีสองกลุ่มเรียกสุขาาขาปฏิปทากับทุกขาปฏิปทาคนใดที่กิเลสเบาบางเนี่ยเป็นสุขขาปฏิปทา เพราะเขาไม่ได้ยึดถือเหนียวแน่นในตาตัวตนอยู่แล้วคนใดกิเลสรุนแรงตราตัวตนมันรุนแรงพวกนี้กว่าจะสู้ได้นะเลือดตากรเด็นบางคนแข้งขาดเด้งบางคนภาวนาจนเดินไม่ได้เลยบางคนภาวนาจนตาบอดนะถึงจะสู้ได้ ม, มีพระองค์หนึ่งตั้งสัจจะว่าจะไม่นอนเกิดไม่สบายเป็นโรคตาตาเจ็บ หมอทายาหยอดตาให้หยอดนะท่านนั่งหยอดหยอดแล้วไม่ค่อยเข้าอ่ะไม่หายหมอสั่งให้นอนหยอดตาก็ไม่ยอมนะเขาตั้งสัจจะไม่นอนปรากฏว่าท่านก็พยายามนั่งหยอดจนหมอบอกว่าไม่รักษาเนะีย่ยเดท่านอย่าไปบอกใครนะว่าผมเป็นคนรักษาท่านอะ่ะเดี๋ยวผมหากินไม่ได้อีกนะในสุดตาบอดนะตาบอดเลยตาบอดไปพร้อมๆกับกิเลสดับสลายลงไป คือท่านยอมสละแล้วชีวิตร่างกายนี้ตายก็ตา ย, ต า, ย, ต, ายตาบอดก็ตาบอด น, นะรักษาสัจจะไว้รักษาความตั้งใจมั่นนะทิ่ฐานบารมีไว้เด็ดเดี่ยวไม่ได้รักตัวเองมากกว่ารักธรรมะถ้าเรารักธรรมะมากกว่าตัวเองเราจะได้ธรรมะถ้าเรารักตัวเองมากกว่าธรรมะเราก็จะได้ตัวเองได้ทุกนั่นแหละนะงั้นไม่ใช่หลวงพ่อไม่สอนนะ บางคนว่าหลวงพ่อไม่ค่อยสอนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องทานเรื่องอนะไรก็สอนอยู่เป็นระยะระยนะเพราพวกเราเรียนมาเยอะแล้วก็นะเลยเน้นหนักสอนเจริญสติแต่ว่าเจริญสติลวดลวดไปไม่ได้นะต้องลาชั่วต้องทําดีด้วยจิตมันถึงจะผ่องแผ้วศีล ส, สมาธิปัญญาสําคัญทั้งหมดนะบารมีทั้งหลายต้องสร้าง ไม่ใช่ฉันจะเจริญปัญญาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาเลยมันทํายากนะปัญญาอย่างเดียวมันกลายเป็นปัญญาสนองอัตตาตัวตนสนองกิเลสขึ้นมาอีกสู้ไม่ไหวหรอกต้องเด่นเดียวจริงๆริงฉะนั้นสํารวจใจของเราอะไรที่ไม่ดีค่อยละเซะนะเลิกซะอะไรที่ดีๆยังไม่เกิดขึ้นก็ให้มันเกิดขึ้นอย่างบางอย่างนะมันเกิดได้ง่ายๆเลย อย่างเรื่องความเมตตาการุณาอะไรนี้ไม่เสียสตังนะไม่เสียสตังมีความเมตตาการุณามีมุทิตามุทิตาก็สำคัญนะเห็นคนอื่นเขาได้ดีต้องดีใจกับเขาได้นะแม่ชีเนี่ยมีมุทิตาสูงมากเลยตั้งแต่อยู่สวนโพแล้วอยู่ที่สวนโพเนี่ยตอนแรกบวชกันอยู่กับอาอีกคนสมคนอยู่ที่นั้นสคนญาติโยมมาเยอะขึ้นทุกทีนะแม่ชีกับอาสองคนเนี่ย ญาติโยมกินข้าวเสร็จแล้วสองคนนี้ล้างจานสองคนนี้ไม่ได้ฟังเทศของหลวงพ่อเลยไม่ได้ฟังธรรมะล้างจานล้างจานไปสิบเอโมยมกลับไปหมดแล้วล้างส้วมต่อมีแต่เรื่องทํางานนะแต่เสร็จแล้วพอหลวงพ่อมาเล่าให้ฟังตอนเย็นเย็นตอนฉันน้ําปานะหลวงพ่อก็มาเล่าให้ฟังเ อ, อวันนี้คนนี้เขาภาวนาดีนะแม่ชีจะปลื้มใจ โอ้ดีใจนะเขาภาวนาได้ดีดีใจตัวเองไม่ได้ไม่ได้ฟังนะเนี่ยมีความปลื้มใจใช่หมมีมุทิตาถ้าอิจฉาริษยาใช่ไหม ม, ม, หไห ม, มันดีกว่าเราเห็นไมเรามันจะเข้มขึ้นมาเออเขาดีเขาดีใจกับเขาเรามันจะตัวเล็กลงเนี่ยแม้กระทั่งบารามีเล็กๆน้อยๆอะไรนี่นะสำคัญทั้งสิ้นนะอย่างอานี่โดดเด่นเรื่องอธิษฐานะบารามีเด็ดเดียว เริ่มต้นมาจากติดลบไม่ใช่เริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นมาจา ก, กจิตซึ่งมีโมหะมากโมหะครอบงำมืดตื้อเลยหลวงพ่อเห็นหน้าทีแรกนะหมดปัญญาสอนไปหาหลวงพ่อที่สาราลุงชินตั้งแต่แรกๆเลยพอหลวงพ่อเห็นหน้าหลวงพ่อถามว่าไปกินยาบัดมาหรือเปล่าทำไมมันงัวงเงียมืดตืบมาขนาดนั้น เขาก็พยายามมาเรื่อยๆนะหลวงพ่อก็ไม่ได้สอนสักทีถ้าจิตไม่มีความพร้อมเลยว่าหนึ่งดังตรินไปเจอดังตรินดังตรินก็บอกอ้าถ้าจิตเป็นแบบนี้นะตายไปอาจะเป็นอสุรกายพอ <c oughs> ไ, ได้ยินว่าจะเป็นอสุรกายนะ <c oughs> ก็ลาออกจากงานนะไปอาศัยอยู่ตามวัดตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชยังไม่มีวัดอยู่นี่ออกไปก่อนหลวงพ่ออีกออกไปเตรียมตัว เดี๋ยวหลวงพ่อบวชแล้วจะมาอยู่กับหลวงพ่อคล้ายๆกับเรื่องที่พวกพรามที่พยากรพระพุทธเจ้านึกออกไหมพอท่านโกนทัญญะพยากรเสร็จแล้วรีบออกบวชเลยเตรียมไปรอไว้ก่อนนะเตรียมไว้ก่อนนี่ไม่ใช่เทียบอาเป็นท่านโกนทัญญะนะไม่ใช่เทียบหลวงพ่อเป็นพระพุทธเจ้านะหมายถึงใจของบัณฑิตหนะ่อยคิดคล้ายๆกัน แล้วเด็ดเดี่ยวนะภาวนาอย่างยากลำบากเดินจงกรมอดกินอดกินทาไมต้องอดกินมีข้าวกินทุกวันแต่ธรรมดากินจุมากเลยกินจนคนตกใจนะกินมากเหลือกินนิดนิดเพราะไม่มีมากอยู่ตามวัดอดอดกินอดนอนนะภาวนาเดินจงกรมเดินจงกรมตอนนั้นมีช่วงหนึ่งไปอยู่บุญญาวาส บญญาวบ้านท่านจันตันน่ะดึกดึกท่านไปทุรากลับมาเอ๊ะกุตินี้ยังจุดเทียนอยู่กุติจุดเทียนสงสัยหลับไปแล้วมั้งท่านก็ไปดยูยังภาวนายังเดินจงกรม <c oughs> นี่อาศัยบารมีเห็นไหมยอมสู้ความลำบากความเห็นแก่ตัวความรักตัวเองมันจะถ่วงเรา <c oughs> งั้นต้องฝึกนะสำรวจใจของเรา คุณงามความดีอะไรยังไม่พอต้องสร้างขึ้นมาต้องรู้นะว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรชาวพุทธมีเป้าหมายของชีวิตคนซึ่งไม่ไม่ใช่ชาวพุทธบางคนเขาก็มีเป้าหมายของชีวิตนะมีอุดมการณ์ทําน อ, นอย่างน้นอย่างนี้ก็แล้วแต่เขาเถอะหลวงพ่อก็รู้จักนักอุดมการณ์เยอะนะสมัยก่อนหลวงพ่อก็อยู่ในขบวนการ14บสี่ตุลาหลวงพ่อก็พร้อมว่ากิเลสตัณหาเนี่ยไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นนะ ยุคหนึ่งรักชาติรักประชาชนยุคนี้รักประชาชนแต่ประชาชนสองสามคนที่มันอยู่ในบ้านเรา <c oughs> มันก็มีนะอย่างนี้แต่าศาสนาพุทธนะชาวพุทธเรามีอุดมการเราจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้ตัวที่ทำให้เราทุกข์นะคืออัตตาตัวตนนี่แหละเพราะนั้นเรียนรู้ลงมาที่ตัวเองนะดูลงมามีสติรู้กายมีสติรู้ใจเห็นเลยทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เรา อะไรที่เป็นอาหารของอัตตาตัวตนต้องตัดมอนเสียอะไรที่เป็นอาหารของสติปัญญาต้องทำขึ้นมากรรมชั่วทั้งหลายเนี่ยเป็นอาหารของอัตตาตัวตนต้องไม่ทำไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยเบียดเบียนตัวเองก็ชั่วนะเบียดเบียนคนอื่นก็ชั่วกรรมดีเนี่ยเป็นอาหารของสติปัญญา นาทีสุดท้ายที่จะข้ามพบข้ามชาญนั้นแนหะอาศัยบารมีทั้งหลายบารมีจะมาช่วยถ้าอบรมมาไม่แก่กล้าพอมจะเกิดรักอัตตาตัวตนแล้วจะถอยอย่างนาทีที่จะแตกหักนะไม่ใช่นาทีเชื่อช่วงหนึ่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเวลาใกล้จะแตกหักเนี่กิเลสมานจะมาเป็นกองทัพเลยมานยกทัพเป็นกองทัพจริงๆนะ มารทั้ง5้าตัวเลยทั้งกิเลสมานขันะมานเทวปุตตมารมัจจุมารอภิสังขารมารระดมกันเข้าโจมตีเพื่อให้เราถอยเพื่อให้เราเลิกปฏิบัติปรับเราทั้งปรับทั้งขู่นะขู่เราเลยว่าถ้านั่งต่อไปต้องตายแน่นอนบอกตายก็ตายไม่กลัวมันสอนต่ออีกนะเอ้ยไม่ถึงตายก็ได้นะแต่อาจจะเป็นบ้าถ้าไม่ตายก็บ้านะ ตายนะ่ะก็พน้นทุกพ้นร้อนไม่เดือดร้อนคนอื่นแต่บ้าเนี่ยเป็นภาระคนอื่นนะอย่าทําตัวให้เป็นภาระคนอื่นนะถอยเถอะ mm hmm. นี่นี่มันหลอกเราขนาดนี้นะ mm hmm. แล้วก็สอนต่อนะถ้าเลิกเส้นนะก็เป็นผ้านาคาอยู่แล้วก็มีความสุขที่สุดในโลกอยู่แล้วนี่ไม่เห็นจะเป็นไรเลยยิ่งกว่าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอีกนะดูดูมารยาของกิเลสนะแหลมคมที่สุดเลย ถ้าบารมีเราไม่พอเราก็จะถอยเลยแต่ถ้าเรามีบารมีพอนะอย่างเรามีสัจจะเราตั้งใจจริงเราอยากเห็นความจริงอยากเห็นธรรมะเรามีอธิษฐานนะบารมีเราเด็ดเดียวตายเป็นตายไม่ถอยจะต้องทํางานนี้ต่อไปมีขันติอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ที่ประดังเข้ามาบีบคั้นเข้ามาในใกายในใจนี้นะไม่มีอะไรเหมือนเลยความทุกข์นี่เหมือนจะภูกเขาลงมาบดขยี้เราเลย บาลมีสารพัมีฐานะบาลมีกล้าสละชีวิตไหมเพื่อธรรมะก็เคยสร้างฐานะบาลมีไหมสละเลือดสละดวงตาสละอะไรอเงี้ยถึงสุดท้ายกล้าสละชีวิตได้เพื่อธรรมะบาลมีสําคัญนะเมตตาก็สําคัญนะเมตตาจิตใจขนาดนั้นอ่อนโยนไหมหรือจิตใจนี่เกลียดชังกิเลสสุดๆเลยอ่อนโยนกระทั่งกับกิเลสนะโอ้โหแต่ละตัวแต่ละตัวนะมันอัศจรย์จริงนะ งั้นต้องสร้างนะไม่มีของฟลุกหรอกไม่มีของฟรีไม่มีอะไรของแถมมีของแถมน่ามีแต่ของฟลุกของฟรีไม่มีของแถมคือพอเข้าถึงธรรมะแล้วบางคนก็ได้อาพินญาได้อะไรไปมีของแถมแต่จะว่าของแถมก็ไม่เชิงนะพวกที่ได้เนี่ยเพราะเคยสร้างมาก่อนสร้างมาแต่ชาติก่อนๆแล้วมันหลงลืมไปมาเจริญสติพอเข้าถึงธรรมะแล้วของพวกนี้มันกลับมามาเป็นเครื่องเล่น เรียกว่าเป็นกีฬาเป็นชานะก่ีฬ า, าเกินมาหนึ่งนาทีแล้วเชิญโยมไปทานข้าวสำรวจใจไปนะอย่างไปกินข้าวเนี่ยกำลังจะตักแล้วเพื่อนตักไปก่อนอะไรเงี้ยนะ <c oughs> จะเข้าห้องน้ำโดนแย่งอะไรเงี้ยนะเออสำรวจใจเรื่อยๆนะ